ถือบาดและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีแม้ท่านพระราหุนก็ครองอันตรวาสศกถือบาดและจีวรตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระภาคไปรับสั่งกับท่านพระราหุนว่าราหุนเธอพึงเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง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 เธอจงเจริญอนาปานาสติภาวนาเถิดเพราะอนาปานาสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากธาตุห1ารคลั้นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่เหล็กกร้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 ที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแค่นแข็งเป็นของหยาบคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูดไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปถินกระรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตน เป็นของแค่นแข็งเป็นของหยาบนิ้วเรียกว่าปฐวีาาธวาตุที่เป็นภายในปฐวีธาตุธาตุดินที่เป็นภายในและปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นปฐวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราคลั้นเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุและทำจิตให้ใคลายกำหนัดในปัทวีธาตุได้ร้อยาอาโปธาตุเป็นอย่างไรคืออาโปธาตุที่เป็นภายในก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไร คืออุปธินาการูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบคออือดีเลตหนองเลือดเงือมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปธินาการูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่า อาโปธาต์ที่เป็นภายในอาโปธาต์ธาตุน้ำที่เป็นภายในและอาโปธาต์ที่เป็นภายนอกก็เป็นอาโปธาต์นั่นเองบรรัณฑ yeah, ิตพึงเห็นอาโปธาต์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปธาต์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาต์และทําจิตให้ใกลายกาหนัดในอาโปธาต์ได้1้อเตโชธาต์เป็นอย่างไรคือเตโชธาต์ที่เป็นภายในก็มีเตโชธาต์ที่เป็นภายนอกก็มีเตโชธาต์ที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินนกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อน มีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติเป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติเป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทมธรรมชาติเป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปทินกะรูปซึ่งเป็นภายในของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อน มีความเร้าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาที่เป็นภายในเตโชธาธาตุไฟที่เป็นภายในและเตโชธาที่เป็นภายนอกก็เป็นเตโชธาตน่นเองมันดิตพึงเห็นเตโชธาตน้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ครั้นเห็นเตโชธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตและทำจิตให้ใครกำหนัดในเตโชธาตได้1้วายโยธาเป็นอย่างไรคือวายโยธาที่เป็นภายในก็มีวายโยธาที่เป็นภายนอกก็มีวายโยธาที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกรูปที่เป็นภายใน เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาคือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่าลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมา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 ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในวายโยธาดและทําจิตให้ใครกําหนัดในวายโยธาได้1้ออากาศสาธาตเป็นอย่างไรคืออากาศสาธาตที่เป็นภายในก็มีอากาศธาตที่เป็นภายนอกก็มีอากาศสาธาตที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปเป็นภายในเป็นของเฉพาะตน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 ก็เป็นอากาศธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น <dont> น <sleep> ั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดในอากาศธาตุได้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 เลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือลังเกียดของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงามจิตของเธอไม่ได้ เธอจงจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจจะเกิดขึ้นแล้วจะครอบงําจิตเธอไม่ได้คนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างน้ำจะอึดอัดระอา หรือลังเกียตของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักครอบงำจิตเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจ และไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตเธอไม่ได้ไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างไฟจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟ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 จะละพยาบาทได้สองเธอจงจเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญกรุณาภาวนาอยู่จกละการเบียดเบียนได้สามเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จกละความลิสยาได้สี่เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จะละความงดกิจได้ห้าเธอจงเจริญอสุภาพภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภาพภาวนาอยู่จะละราคะได้หกเธอจงเจริญอนิจจสัญญาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาอยู่จักละความถือตัวได้อาณาปานสติ16 ร้อราหุนเธอจงจเจริญอนาปานสติเถิดเพราะอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอนาปานสติที่บุคคลจเจริญ แ, แ, แล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง์มากคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่า ก, ก็ดี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 เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสามสำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสี่สำเนียกว่าเราบังคับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออก ห้าสําเนียงว่าเรากําหนดรู้ปิติหายใจเข้าสําเนียงว่าเรากําหนดรู้ปิติหายใจออกหกสําเนียงว่าเรากําหนดรู้สุขหายใจเข้าสําเนียงว่าเรากําหนดรู้สุขหายใจออกเดสําเนียงว่าเรากําหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้า สำเนีกว่าเรากำหนดรู้จ <Bien. S 1> <Northwest ern. S 2> ิตตสังขารหายใจออก8ปดสำเนีกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนีกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจออกเก้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกสิบ สําเนียกว่าเราทําจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสําเนียกว่าเราทําจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สําเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสําเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สํงเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสําเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออก 13.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 สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก16บหสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาความสละคืนหายใจออกอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงมากราหุล เมื่ อ, อนาปาณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ลมอัศสาสหายใจเข้าลมปัสสาสะหายใจออกครั้งสุดท้ายปรากฏชัดย่อมดับไปที่ไม่ปรากฏชัดยังไม่ดับไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มหาราหูโลวาทสูตรที่สองจบ